วางแผนได้เลยเติมมาได้เลยคิดได้เลยว่าเบ่งเฮต้องยกมันแน่เพราะเสียสามนายทหารไปแล้วอย่างนี้ผมเร่งวางแผนการจัดแจงใช้คนเสรเรียบร้อยนายทัพนายกองทั้นพงศก็รับคำคำมาปลาไปจัดแจงยกไปกระทําตามคําสั่งควายทหารสอดแน ม, มของเบ่งเฮก มรดาเลยกองทัพมีก็ต้อมี้อกองสอดแนมนเอาอยื้อความเข้าไปบอกแกเบงเฮ็กว่าบันนี้ซุมาห้วยหลํามันถูกทหารของเบงจับได้แต่กินวัวนนะ่ะตายข้นในที่รกนี่คือรายงานเบงเฮ็กได้ทราบรายงานแล้วก็โกรฝสารแม่ทัพคนสำคัญของตนนี่หมดสึ้นสภาพไปซะแล้อย่างเนี้ย เบ่งเฮกสั่งจัดแจงทับเวทีเดียวก็จริงดังที่ฮกหลงคิดไว้ว่าเบ่งเฮกต้องยกมาแน่เบ่งเฮกสังจาดแจงทับพร้อมแล้วครั้งรุ่งช้าก็ยกไปอองติงกวนศกสองนายนี่ผู้ให้เข้ารบเห็นเบ่งเฮกยกทํามาดังนั้นทั้งสองก็ครีม้าถึงเน่าขับพาหนะออกมาทีเดียวฝ่ายเบ่งเฮกเห็นนั้นก็จึงว่าแกฐานะปู๊ ผงบอกว่าเขาลู้ว่าคงเบ่งมหาอุปราชเมืองเสฉวนมมีสติปัญญาเหตุใดจัดแจงทหารให้ยกมาไม่เป็นกระบวนเลยเห็นไม่สมกับคนเรื่องลือเลยทันทีถ้าแม้นเรารู้ความคิดคงเบ่งแค่นีนน้ไหนเราจะนิ่งชาอยู่ถึงเพียงนี้จะไปตีเมืองเสฉวนเอาเป็นนานแล้วนี่เป็งเหตเป็นเหตุ ประมาศตรูขึ้นเช่นนี้เลยทีเดียวเดชเป็นได้เห็นทัพข้าไปเนี้และเหชก็ถามถามนบะบอกว่าใครจะอาสาไปรบจับเอาไม้ทัพของศัตรูมาให้เราได้บ้างเงียบเตียงเงียบเตียงก็รับอาสาทีเดียวขึ้นมาขับเอาไปรบกับองเตงองเตงกวนสก็รบกับเงีนเตียง รบได้ประมาณห้าเพลงก็ทําทเป็นเสียทีหนีพลานรบพลานฟูพลานหนีพลานถอยไปเบ่งให้แข็งข่าศึกถอยหนีดังนั้นก็ได้ใจละก็กจริงซะด้วยโยกทับมันไม่เป็นกระบวนทับจัดแจงทับนี่เลยเข็มแข็งมั่นคงและฟูรบไม่ถท่าไก็พ่ายแพ้หนีไปดังนี้ก็ขับทหารรบไล้ติดตามไปทีเดียวไล่าตามไปประมาณระยะทางถึงห้าร้อยเซน ฝ่ายเปียวหนีเปียวเอก็กซึ่งของเบงชยัยคุมหันมาส่มอยู่สองข้างทางเมืเ่อไอ้กองทัพเบงเกเข้ามาสู่ที่ร้องแต่นั้นมาสู้ยังที่ที่ตนที่ฮกหลงวางกลนไว้ให้แล้วเนี่ยเปีวเอ็กเปียวนีก็โหร้องขับปานรูปกลหมามาทั้งสองข้างทางองเต๋งกวนศกถี่ล็อกพลางหนีพลานก็หันมากกลับให้ฐานรูปกลหมาออกมา ขับมาเข้ามาฆ่าฟันฐานเบ่งเห็กล้มตายเป็นอันมากทีเดียวฝ่ายเบ่งเห็กเห็นกองทัพทีมมันหนีรถแต่มันกลับตีกลับมาและฐานอีกสองข้างไม่ร่วบโผล่มาจากไหนมากมายหนักนาตีกระนาประนามลงมาฆ่าฟันฐานต้องโดนล้มตายเช่น น, นั้นเมื่อพี่บุ๋นเห็ว่าซื้อน้ได้ก็ขับมาคนฐานรบหักออกไปทางข้างหัวเขากินไกปองเต่งอ้วนศก เดียวหนีเดียวเอ็กสี่นายเนี่ยครั้งเห็นเบ่งเฮกหนีก็คุมทาหารไล่ไปตามเบ่งเฮกไปเลยทีเดียวเป็นอันว่าเบ่งเฮก ผูกไล่ไปทีกระนำไปเลยฝ่าจูเลนติของเบใช้มาคอยอยู่ณที่หัวเขาเห็นเบงเฮคคุมฐานหนีมาดังนั้นจูเลนก็ขับฐานเขาสกัดรบไว้เบงเฮคกขาหนีหนจูเลนคุมฐานมาสกัดรบอยู่ข้างหน้ามันก็ตกใจรับลีหนีไปทางช่องแคบไปทางท้ายเขาอะคือมีไปทางหัวเขาจูเลนสกัดอยู่หนีทางท้ายจูเลนก็ให้ติดตามรบ จับทหารได้แล้วก็มัดตัวไว้เป็นนั้นมากแต่ยังจับเบงเฮกไม่ได้เบงเฮกก็หนี้ก็ไปทางช่องแครทหารติดตามไปประมาณสักห้าสิบคนและทาานั้นนะแคบมัดจะขี่ม้าไปก็มีได้ไม่พิสูจนก็จาต้องทิ้งมาเสีย เ, เดิเดินก็รีบเดินไปครั้นเห็นข้าศึกสกับอยู่ข้างหน้าอีกเบงเฮกขุนสึกแห่งมันอ๋อง ตกใจยิ่งนักไม่รู้จะไปแห่งไบก็เปีนจะหนีขึ้นบนภูเขาฝ่ายอุเอียนคอยอยู่แล้วจู่ลงไปคอยหัวเขาอุเอียนไปคอยท้ายเขานยุดเ่จะจับคนสําคัญฮกหลวงก็ทชยยอดทหารของตนไปก็สองคนนี่แหละจู่ลงไปหัวเขาอุเอียนหยุดท้ายเขาอุเอียนเห็นเบ่งเล็กปีนภูเขาหนีขึ้นไปเลยนั้น กขับฐานเข้าไหวจับตัวได้ได้ตัวเบ่งให้กระฐานข้า ง, งบนก็มัดเอาตัวมาครั้นกลับมาถึงคล้ายพร้อมกันแล้วก็เนื้อความขอไปบอกแกของเบ่งทุกประการของเบ่งได้แจง้งดังนั้นก็ดีใจสําเร็จสมความนุ่งมาตราฐานเพียงแต่มั่งอ่านแผนที่ดูเท่านั้นแหละคขี่แผนที่ออกดูแล้วก็วางแผนวางกําหนด ส่งคนไปกระทําการได้สําเร็จก็ดีใจก็สั่งให้แต่งโต๊อืเรียกว่าขับร้าอาหารทั้งภรรยาเมาเพร้อม่ปจนมากทีเดียวแล้วก็จัดแจงที่ทางค่ายคูนี่ให้ทหารยินถืออาวุธเก็คชั้นทําให้เป็นสง่าทีเดียวอันนี้มันจะแตกต่างกว่าตอนที่สุนกวนเห็นกางตังจัดเตรียมทหารเป็นสง่าป้อนรับเป็นขีนะ เป็นจีมาคนเดียวมี่เราย้อนกันนิดนึงสุงควรพระเจ้าสุนควรเองต่างต่างสั่งจับทหารหนึ่งเข็งแข็ ง, ขงรับเป็นจีนั่นมันต่างกันคนเบ่งครั้งอย่างนี้อ๋อจับตัวได้งเล็กมาได้แล้วก็พร้อมกับทหารคนเบ่งเลอีกมากมายด้วยคนเบ่งสั่งให้ทหารยืนถื อ, อเอาเจกตชั้นทําให้เป็นสัญาแล้วคนเบ่งก็ขึ้นนั่งนะพี่สมควร ไม่เอาทหารทิ่มมัดไว้ได้ล่ะผิดจับตัวมัดไปก่อนเข้ามาก่อนครนฐานเราไม่เข้ามาพร้อมกันแล้วผมเ่งก็สั่งให้แก้มัดออกแล้วก็ร้องว่าคนทั้งปวงนี้ก็เป็นแต่ไพร่บ้านทลเมืองเขาเบงเฮกไปกะเกนเอาตัวมารบขับขืนเขาม่ได้กดจำเป็นจาต้องมา ครั้นเราจับว่าได้แค่เนี้ยฝ่ายลูกเมียพี่น้องอยู่คันหลังก็จะตั้งตาคอยหาครั้นไม่เห็นกลับไปก็จะร้องไห้เป็นทุกข์ถึงเราคิดเองดูคนทั้งปวงเหล่านี้ก็จะไม่ฆ่าละ่ะจะปล่อยไปเอามุนนี่คมได้กล่าวดังนี้พูดซะก่อนเชี่ยเห็นก่อนนะครับแล้วก็จะปล่อยเอามุนแล้วก็ฟังให้เอา ข่าปลาอาหารสุรายาหมาพร้อมมระมันเลี้ยงจากเลี้ยงคนเหล่านี้ก็กินข้าวกินเหล้าเสร็จแล้วก็ปล่อยไปฐานเบ้เหทั้งซึ่งเหล่นานี้คร่ำรอดจากความตายได้ก็ดีใจแล้วก็คิดถึงคุณคนเบื้องยืนนะมาหาอุปราชมีเศษโฉนี่อัศจรรย์แท้น้ำใจกุลยาเป็นที่ยืนฐานก็กราบแล้วกราบอีกแล้วก็ลาไป เบ่ง bên, ครั้นปล่อยฐานเบ่งเหกไปแล้วก็สร้างใหตัวเบ่งเหกเข้ามาล่ะและขอเบ่งก็จริงว่าเหตุใดเบ่งเหตุจรงดูหนึ่งยกนุ่งไปปีเอาเมืองเอ็งเฉียงซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเสฉวนนายเราผมงเบ่งก็จริงว่าเมืองเอ็งเฉียงนี่ไม่ใช่ของท่านเอ็งเฉียงนี่เป็นเมืองของผู้อื่นต่างหาก เป็นแต่ว่าท่า น, น ก, กลา้าแข็งก็ไปหัดหานชิงเอามาไว้แล้วยกมาตีเมีนหมันอ๋องข่มเหงเราอีกปลับมาว่าเราดูหมินเราคําปอบผมเบ่งเหกผมเบ่งเหกฟ้ามันก็หัวเราะแล้วก็จีกว่าเราจับได้ตัวมาดังนี้ท่านเกรงกลัวเราหรือยังเบ่งเหกขุนศิษฐ์ทูมเมกกลัวตัอความตายเบ่งเ็กก็จึงตอบว่าจับได้ นี่ฮะเมื่อว่าเรามาแตกหนีไปทางช่องเขามันเป็นทางแคบ ท, ท่านจับตัวเราได้แต่ถ้าแม้เราหนีไปทางกว้างนู่นสิที่ไหนท่านจะจับเราได้ท่านจะมาถามว่าเกินกลัวหรือยังเราหาเกินกลัวท่านไหมหนุ่ยเบ่งกตอบอย่างนี้ฟังดูกว่าจะวกินข้าเบ่งเฮกกว่ากินน่ะคนหนี่มาทางซอกเขาแคบแล้วคนนั้นหนีไม่พน้นหนีไม่พ้นก็เลยจับได้ แต่ถ้าหนีได้ทางกว้างเหนือกว่าคนพ้ <c oughs> นผงเบ่งเด็กฟังเบ่งเห็ุว่ า, น, า น, นี้ก็วิละและก็ถามว่าจะให้ทำประการใดเราท่านจะเกรงเราเบ่งเหตุก็ตอบว่าปล่อยสิยถ้าท่านปล่อยเราไปเชียเราจะไปคุณหารยกกลับมารบกับท่านอีกและถ้าเราแพ้ท่านท่านจับตัวเราได้อีกนั่นแหละ เราจริงจะกลัวเกรงสืบตัดคือไม่หยุปล่อยแล้วไม่มานะปล่อยแล้วจะมามาแล้วจะรบด้วยทักแพ้จริงจะกลัวจะเกรงคนบบ่งได้ฟังเบ่งเฮ็กว่าดังนั้นเอ่อยาของท่านในฉายาของเบ่งตอนนี้เลยหว่าบุรุษผู้ชอบลองดีมาพยศคนาไม่สั่งให้แก้มัดเลยแก้มัดเดบ่งให้เสื้อผ้าเคลื่อนลมให้มาด้วยนี้เหรอ จับโปมาเรียงเลี้นงไปปล่อยปัดนายทัพนายกองทั้งปวงเห็นขงเบ่งปล่อยเบ่งเฮกไปดังนั้นก็จินว่าเรายกมารบทานี้ีหวังเจ้าตัวเบ่งเหกเมื่อกลับได้แล้วทําไมท่านจึงปล่อยไปเสีเล่าคงเบหัวเราะแล้วจึงว่าคนทั้งปวงอย่าสงสัยเลยก็ทําไมกับการที่จะจับตัวเบ่งเหกเหมือนหนึ่งไขกุญแจหีบหยิบเอาทองเท่านั้น แต่เราหาจว่าต้องการจะทำให้มันเกรงกลัวเราให้กลุงมากผมเพิ่งพูดแังนี้นายทัพประธานต้องดได้ฟังคนบิงหว่างันก็คิดสงสัยแต่ก็ไม่รู้จะว่าประการใดต่างคนต่างก็ลา ก, กลับไปค่ายต้น น, นครั้นของเบ่งปล่อยแล้วนี่ก็ขึ้นมารีกลับไปยังริมแม่น้ำลกูกรีก็พบกับบรรดาทหารเหลตายแตกหนีอยู่ในป่าเดินัันก็เกลียกลอมผูกจาเอาน้ำใจทหารทัง้งลวงครั้งเห็นเบ่งเห็ุกลับมาดังนั้นก็ทั้งกลัวทั้งดีใจอะ่ะก็เข้ามากราบลงแล้วก็ถามว่า เขาจับตัวท่านไปได้แล้วอะแต่ทำไมท่านถึงมาได้หรอเบ่งเหกได้ฟังทหารถามบังนั้นก็คิดลำพึงว่าจะบอกความจริงก็อาย <c ười> คืออายจะบอกจริงๆก็อายก็จริงอุบายพูดไลยว่าคนเบ่งมันจับเราไปได้อ่ะใช้ทหารคุมเราไว้ในค่ายสิคน แต่ครั้นดึกสงัดเราก็ฆ่าอีกคนนึงเสร็จมันเสียแล้วหนีออกมาพบกองตะเวนขีม้ามาเราก็ฆ่าอีม้ากองตะเวนแล้วก็ทิ้งเอาม้ามันมาขี่นี่แหละนี่เบ่งเหตุคือกลัวเขาจะว่าไม่เก่งก็ที่แจง้งถือความเก่งกาจของตนที่มันไม่จริงเลยทหารระเบดิดวานก็ดีใจอ่องนายเราเก่ง เบ่งเฮกก็คุ้มหารน้ำพวงลงเรือข้ามไปตั้งค่ายอยู่ฟ้าข้างนนนเรียกกองทหารที่แตกหนีอยู่ในดงในป่าเข้ามาได้อีกแล้วก็สั่งให้เรียกหาทหารหุเมยิงรายทางทั้งปวงบรรดาที่เป็นเมืองขึ้นของเมืองหม่อมอองเนี่ยอ่าเข้ามาให้สิ่งและเรียกมาหมดก็ระะู้ว่าสุนาเหวยหลังนี่ก็กลับมาได้แล้ว คือคนเบ่งปล่อยปล่อยมาแล้วปล่อยมาก่อนก็ให้เรียกหาตัวสุนาห่วยรำคนทั้งสองเข้ามาด้วยทหารคนชายก็รับำัำแล้วก็แยกกันไปตามสุนาห้วยหลรำตามคําสั่งคืออยู่คนละที่คนละแห่งกันฝ่ายสุนาห้วยหลรำและฐานผู้เมืองไราพานะปวง ม, ม่ได้แจ้งในคําสั่งของเบ่งเฮกดังนั้นก็พากันรีบมาครั้นมาถึงพร้อมกันแล้วก็เข้าไปคํามับเบ่งเฮกเบ่งเฮกก็จริงว่า ขงเบ่งยกมารบเราครั้งนี้เป็นเทศการหน้าร้อนทหารไม่ค่อยมีที่พักอาศัยเราจะบ้้งทับมั่นอยู่ฝ้าขันนี้ดูท่วงทีก่อนให้ไปเกมเอาเรือแพฝ้าขันนูน้นเอามาไว้ฝ้าคันให้สิได้ค่าฟิกใช้เรือแพรเรางั้นได้แล้วก็ขุดดินพูลที่เป็นกำแพงบางตั้งป้อม รายไปตามริม ม, ม่้ำให้ฐานถือเกาพันรถสาค่ายคอยยิงเข้าไว้อย่าให้ข้าขึกข้ามมาได้ซึ่งเบียงอาหารนั้นเราเกมเอาทุกหัวเมืองให้มาส่งและเราตั้งมั่นอยู่อย่าออกลบดูสิคงเด้งจะคิดอ่านเป็นประการใดมีเบรกวางแผนอย่างนี้คือตั้งค่ายมั่นคงป้องกันเป็นอย่างดี แต่ไม่ออกลบด้วยอย่าดูที่ผไม่จะทำอะไรได้ น, น, นายทัพนายกองทัพบริสุทิฝันก็เห็นชอบด้วยก็พากันมากะเกนกระทําตามที่เบ่งเฮกฟังทุกประการละฝ่ายของเบ่งบัง ผมไม่หนีเมื่อปล่อไม่เห็นแต่แล้วก็ยกทัพปามไปไปถึงนี่แม่น้านําลกซุยแล้วหกหลงฝนเม่งก็ออกตรวจดูที่ทางภูมิประเทศทั้งปวงทีเดียวสังเกตได้ท่านผู้นี้จะต้องอาศัยภูมิประเทศดีแหละอืร่วมในกลยุทธ์วางแผนอุบายทุกครั้งไปถ้าไปสถานที่ที่ไม่เคยไปไม่เคยพบไม่เคยเห็นด้วยแล้วนี่จะต้องออ ก, กตรวจการดูทุกครั้ง ออกตรวดดูแล็นน้นำาำไหลเชี่ยวแรงนะักมีประการหนึ่งอีกประการอนึางเรือแพก็ไม่มีอืมก็ไม่มีสิเบงเฮ็กฟังเ็กหมดแลไปฝากขังนู้นเห็เห น, เหนเนินดินสูงเป็นกำแพงเรียงรายไปมีฐานรักษาการอยู่เข้มแข็งมั่นคงก็ที่เบงเฮ็กเขากระทำไว้แหละคงเบงมองดูรู้เห็นนันแล้ คอยหานายทัพนายกองบวมาปรึกษาว่าเบ่งเฮกทาการครั้งนี้เห็นจะไม่ยกออกมารบกับเราแล้วมันจะคอยตั้งรับเราเราจำจะต้องคิดการที่จะเข้าหักหันเอาชายชนะให้ได้ของเบ่งคณี น, นีอาอย่างนี้เห็นการทาค่ายคูประตูหอรบกาแพงมันมันคมเข็มแขงนักหนานี่แสดงว่าไม่ออกมารบด้วยแล้วล่ะก็จะต้องหาทาง เมื่อเขาไม่ออกมาเจะต้องเตะเข้าไปนะขุนแผก็สั่งลิขีลิขีขุนชมาดในผูมิประเทศทั้งปวงผู้นำทางคนสําคัญเนี่ยว่าท่านเนี่ยเคยไปมารู้จักที่ทางนี้ต้องไปจัดแจงตั้งขายรายไปตามริมแม่นสายใครแล้วให้กวนเปนอ่งให้อองเต่งกวนศกเดรียวเอ็กเปรียววิ อยู่รักษาคนละค่ายสี่ค่ายสี่คนอันนึ่งเรายกมาครั้งนี้เป็นเทศกาลหน้าร้อนเทศกาลเราดูร้อนอากาศร้อนนะทหานไม่มีที่อาศัยให้ไปตัดไม้เกี่ยวหญ้าทําค่ายร่มเงาให้ทั้งม้าและคนได้พักอาศัยให้จงทุกทับทุกกองมีคนเป่งสร้างทร่มเงา คนได้พักร้องทั้งมาทั้งคนด้วยลิขีไละ์นายฐานทั้งปวงก็ไปกระทาตามคาสั่งฝ่ายเกลียวอ้วนเนี่ยเกลียวอ้วนเห็นลิขีตั้งค่ายดังนั้นก็เข้ามาบอกคงเบ้งว่าลิขีตั้งค่ายเรียงรายมาตามริมแม่นแต่เนี่ยพระเจ้าเห็นว่ามันเหมือนเหมือนเมื่อครั้งพระเจ้าเราปียกไปตีเมืองกังตังลกซุ่น ส่งทหารเข้ามาเผาค่ายพระเจ้าเราปีจึงเสียทีอันหนึ่ง เ, เปือบว่เบงกิกจะส่งคนให้รอบมาเผาค่ายเหมือนกันเช่นนั้นเขาะก็จะเสียทีแก่ข้าสึกเดียวอ้วนก็พูดถอดตัวเห็นพูดถอดตัวรู้ของเบงเดฟานเกียวอ้วนวานั่นก็หวัวเราะแล้วก็พูดว่าท่านอยสงสัยเลยเราคิดการแก้ไว้แล้ว เราคิดการแก้ไว้สำเร็จแล้วเราจรึงให้ทำฝ่ายท่าเจ้าเหล่าเสียงแห่งเสยฉวนถึงเทศกาลฤดูร้อนเนี่ยก็สั่งให้มาใตา้มาใตา้คุมฐานสามพันเอาเบียงอ่า กินแก้ร้อนให้แก่คงเบ่งนี่เราจะสังเกตเห็นเรื่องอาหารของเขาหีินะครับอาหารของเขาหีินี่สเสบียงสเสบียงกินแก้ร้อนนะเอาครั้นไปถึงมาตายมาถึงก็เข้าขไปหาคงเบ่งเอาสิ่งของประจันทานให้คงเบ่งก็ยกมือขึ้นถวายบังคมแล้วไปเอาสิ่งของประจันทานทั้งนั้นแหละแจกจ่ายแก่นายทับไม้กองทั้งปวง และขงเบงก็ว่าแกมาดใต้ว่าเรายกมาครั้งนี้ก็ด้สู้รบกันเป็นสามมาัดทหารบอกช้าอีกรอยจะขอท่านผูมาใหม่ให้ช่วยรบด้วยเนี่ยจะได้หรือมิได้มาใต้ก็จงว่าตัวข้าพเจ้าใทฐานทั้งปวงก็เป็นข่าในพระเจ้าเราเสียดใช้มาก็จะอาสาึงกว่าจะสิ้นชีวิต บางแต่ท่านจะใช้เธอของเบ่งเด็กกว่านั้นก็ยินดีก็จริงว่าเบ่งเฮกมันตั้งมันอยู่ฝ้าขั้นน ốt ทหารหาสเบียงมาส่งกันนี่เป็นทางไกลามาต้าท่านภูมิมาใหม่พร้อมด้วยทหารที่ยังเข้มแข็งอยู่นั้นจงคุมทหารรีบยกไปตั้งข่ายนี้ประมาณพ5 0ห้ารอยเซน ยกจ ง, จงคุมฐานยกไปทางใต้ของค่ายแห่งนี้ลงไปทางใต้ประมาณพันห้าร้อยเส้นที่นั่นน้ำตื้นมีคนเบ่งบอกได้ชี้ได้เพราะเวยไปตรวจมาหมดแล้วรู้มาแล้วต้องตัดไม้ทําแพรสำหรับทหารข้ามไปคอยรบตีตัดสเสบียงอาหารที่มันมาส่งกันให้จงได้แล้วบอกว่าซึ่มาห้วยหลัาซึ่งเราปล่อยไปนั้น แอได้เป็นใส่ศึกของเราอยู่นี่ค ง, งเด่งดาเนินแผนนี้มาต้าเดีฟังคงเด่งกีแจงนั้นก็คมับลาไปจากการตามที่ท่งพหกหลวงคงเด้งสั่งละคือคือไปถึงที่ขามเนก็ขับหาร อ, อตัดไม้ผูกแพรแล้วก็ข้ามไปพหานรน่ะร้อนนัก น, นี่ยพบถึงามาําเต้ด้วย เปลืองผ้ารงอาบน้าว่ายม้ามเล่นกันวะมันร้อนเห็นน้ำากามันเย็นใจบรรดาฐานทรองอาบน้าอ่ะพอถึงฝั่งคืออาบน้าแล้วขึ้นมาถึงฝั่งนั้นก็ ล, มล้มลงมีโลหิตไหลออกมาทั้งทางปากทางจมูกตายไปที่ประมาณถึงพนะันห้ารอยคนไนี่เกิดเกิดอศัศจรรย์ขึ้นอย่างนี้จะ ง, ง่ายแหละพรานอาบมา้าเท่านั้นแหละ ขึ้นมาตายที่ต้องพันห้ามาตายเห็นทหารของกันลมตายลง ม, มากมายดังนั้นะ่ะก็ตกใจก็พากันข้ามมากลับมาแต่ในเวลากลางคืนนันเลยทีเดียวเหตุการณ์ไม่คาดไม่คิดมันเกิดขึ้ น, นได้ง่าย มาตายก่จะไปกระทําตามแผนการของเบงสั่งนะไปตีตัดสบายด้วยแล้วก็ไปกระทำสนครามจิตวิทยาอย่างคือบอกว่าคุณมาห้ยหลังที่ของเบงปล่อยแนละเป็นสายติด ข, ของคนงเบงแต่ทหารไปอมาบน้ำเท่านั้นแต่ลมป่าที่ต้องมากมายแค่นั้นนะอะก็กลับมากลับมาดังกองคืนแะล้วก็ไปหาคองเบงแล้วก็บอกว่าแม่มามีร้ายนะ ทหารไม่รู้ลงอาบกินโลหิตพุออกมาทางปากทางจมูกมายไปถึงพันเศษคองเบื่องเด็กวางอย่างนี้นก็ตกใจเหมือนกันตกใจยิ่งเลยทีเดียวแล้วก็ในเวลากลางคืนในมาร์ตม่กลับมาบอกอย่างนี้ก็สา่านให้เร่งไปจับตัวชาวบ้านมาให้ได้ในเวลาเนี้คือจะต้องสอบถามดูให้รู้ความละทหานก็เร่งไปฟืบสอบ หาชาวบ้านจับได้ชาวบ้านป่าเอามาให้โคบิ้งโคบิงก็ถามชาวบ้านนะว่าแม่น้ำเนี่ยคนลงอาบกินตายนี่เพราะเหตุไรเหตุผลคนในประการใดอย่างไรกันนะชาวบ้านป่าก็บอกว่าแม่น้ำ น, นีมีพิษร้ายนะเทศกาลนี้ฤดูร้อนอย่างเนี้ใครอาบใครกินปลางวันเนี่ยก็จะตายแต่ถ้า จะอาบ จ, จะกินได้ก็แต่ในเวลากลางคืนดึกสงัดมแม่นม้ามอย่างนี้ก็มีพิษนี่มีแต่กลางวังกลางคืนก็ต้องกลางคืนดึกสงัดด้วยของเด็งครั้งได้กแจงนี่นก็เกณฑ์ทหารให้มาใต้ห้าร้อย 500. บันเกลยวกับของเก่าที่เหลือเป็นสองพันให้ชาวบ้านตาคนนี้ไปรื้อน้ำพานไปด้วย มาตายก่อขันับปลาออกไปให้ชาวบ้านปา่าคนนี้เป็นผู้นำทางขั้นไปถึง ท, ที่ตีตัดไม้ทําแพรเวลาเป็นเวลาเที่ยงคืนก็ข้ามไปคนบ้านป่าก็นําไปถึงศอกเขาทางร่วมที่ทหารไิ่เหนีเคยหาบสบายมาส่งมาตายก็จัดแจงทหารวางกองเรียงรายคอยที่จบ ล้มเสบียงหล่าวนี้อยู่ไฟถามเด็กเหตุถึงเราเสบียงมาท่งก็เป็นปกติทุกวันไม่รู้ว่ามีค่าศึกมาคอยอยู่ก็เริ่งหาทามเดินตามทางมาละ ม, มาต่อ เห็นกองรำเรียงหาบสเบียนมาพร้อมกันมู่ท่วงทีแล้วได้ทีแล้วก็ขับฐานโหรงเข้ารบชิงเอาสะเบียนข่าฐานเหล่านั้นว่วลายซบ้างก็ดีหนีไปบ้างก็ดีแต่ก็ได้สะเบียงไว้ประมาณร้อยกวนเศษและมาตั้งแต่ตั้งค่ายมั่นคงรักษาสะเบียงนั่นอยู่ เบ่งเฮกกล่าวถึงเบ่งเฮกจัด แ, แจงค่ายครูมั่นคงดีแล้วเบ่งเฮกก็หมายใจว่าจะชนะฆ่าศึกะก็เสกสุราร้องรำทําเพลงสนุกไปแล้วก็ว่าแก่ฐานทั้งปืวนว่าเราตั้งมั่นอยู่ฝ้าคันนี้สบียงอาหารก็ส่งมาถึงกันได้สะดวกอยู่คงเด่งจะคิดทําอะไรแกเราได้ ขึ้นยกมาน่านี้เป็นเทประ ก, การไปดูร้อนอย่างนี้จะคนได้สักเท่าไรหน่อยนึงก็จะต้องยกกลับไปเองแต่ขงเบ่งยกถอยเราก็จะยกนาำไปไปเห็นจะจกลับได้ตัวขงเบ่งท่านเด่งเหกหวาแล้วก็หัวเราะท่ทนานนั้นเป็นนิมเบ่งเล็กหวังก็จริงว่าข้ามาเจ้าเห็นว่าน้ําใต้ค่า ย, ายะระลงไปเนี่ย มีที่ึ้นพอที่จะข้ามไปอยู่แห่งเรียกว่าขเนเด้งรู้เขา้าโดยการจับผู้คนชาวตาบลนี้ชาวบ้านป่าเรานี้ไป ส, สอบฐานภถ่ถ า, ามความถ้ารู้ความเขาก็จะต้องยกฐานข้ามมาทางน้ำปืนนันเป็นแน่ขอให้ท่านแต่งฐานไปตั้งรักษาอยู่ที่นั่นสักกองนึิงจิงจะดี ทหารคนหนึงเข้ามาเอารายงานออกความคิ ด, ห เ, ดเห็นเบ่งเฮ็กฟังดบบนี้เบ่งเฮ็กเบ่งฟังก็จึงว่านี่ท่านไม่รู้หรอกหรือเรื่องน้ำเนี่ยมันร้ายก็เราจะแกล้งใมันข้ามที่นั่นนสิทหารมันร้อนมาหนูมันลงอาบน้ํากินน้ำความก็จะตายหมดสิจึงไม่จําเป็นแต่ประการายที่จะต้องส่งกองกําลังไปรักษายอยู่ที่นั่น เบ่งเห็ุเขาเหนือชั้นกว่าเจ้าทหารผู้นี้แต่ว่ากันไม่กันขาดคำอทหารที่หากสเบียงผูกต้มสมเบียงไปหมดแล้วหลอดตายหนีมแล้ก็มีความเข้ามาบอกว่ามาตายนายฐานฝ่ายขงเบ่งเสฉวนคุมทหารยกข้ามฝากมารบไปปัดเอาสะเบียงไปได้หมดสิ่นและข้าฟันทหารกองสะเบียงร้นมตายอีกเป็นอันมาก เบ่งเฮกเบ่ควานั้นก็หรอแล้วก็ดูว่ามันจะทำอะไรแก่เราได้นี่เบ่งเฮกยังคงเก่งอยู่แล้วก็สั่งให้เมียเตียงคุ้มหารสามพันไปตีมาตายเมียเตียงก็ขมับราไปจากแรงถานของตน พ, พร้อมแล้วก็รีบ ย, ยกไปทีเดียว เตียงคุณทหารไปปตีค่ายมาใต้ระครันไปถึงเนี่ยก็ไม่ต้องเยราจาท่าไทายกันแล้ว ข, ขับทหารก็ไปต้นค่ายมาใต้เลยทีเดียวฝ่วายมาใตา้เห็นมีถามโดนลมกำลังข้ามาโจม ต, ตีตดังนั้นนะก็ขี่มาถึงเงาขี่มาถึงเงาวนะครับถูกแล้วคือบางทีผมก็อ่านคลิกบื้ๆเลย มาใตา้ขี่มาถึงเงาขับผ่านออกรอบกับเมียเตียงด้สองเพลงมาใต้ก็ฟันถูกเมียเตียงตกมาตายแล้วก็ไล่ฆ่าฟันฐานเมียเตี ย, ยลงล้มตายลงแตกหนีไปฐันเมียเยตียงแตกหนีไปนั้นก็เอาเรื่องความเข้าไปบอกกันเบ่งเฮกเบ่งเฮกครันง เ, ด, เ, นเ ด, นด็ฟังดังนั้นคราวนี้ไม่หัวเราะแล้วฟังให้ดีฮาธนบุตรมา ถ, ถามว่าผูดใด จะอาสาไปรบกับม้าใต้าได้บ้งสุนาสุนากุฏิถูกดับตัวไปได้แล้วก็ถูกปล่อยตัวมาแล้วเนี่ยสุนาเห็นทารตนวนี้อยู่ก็จริงว่ะขันทเจริญขออาสาไปรบกับม้าใต้าเองเบ่งเฮกเด็กคน น, นก็ดีใจจัดแจงฐางในให้สุมาสามพันสุนาก็กะขมับราบเบ่งเฮกออกมาแล้วก็ยกทับไป บเบงก็กหลังจากสุนมาไปแล้วเนี่ยก็ว่าแต่ฐานนักบวชตัวในที่นั้นว่าเราคิดว่าแม่นมา น, นี่ร้ายข่าสุดจะข้ามาไม่ได้แต่มันกลับข้ามารบตัดเอาสาเบียงอาหารของเราไปได้ดังนี้จำจะให้ไปตั้งทับโดยหน้าที่นั้นกองนึ่งและเบงก็ฟังเฮ้วหลังให้คุณนานสามพันยกไปตั้งค่ายอยู่หน้าที่ปุนตรงทางข้ามมันละ พอสกับกั้นอย่ให้ข้าตึ้ข้ามาได้หัวหลังก็รับคำคำมัปรายยกทับไปก็ทําตามเบ่งเฮกสังขณะเมื่อซูมายกทัพไปซูมาจะไปปีนมาใตา้คขันไปใกล้ก็ให้สร้างค่ายขึ้นแล้วก็จับแกงกันที่จะออกรบฝ่ายมาใตา้เห็นกองทัพยกมาดังนั้นก็ขี่มาถึงนาวออกไปรบละและฐานขึ้นคงเบ่งให้มาด้วยนะ เห็นสุมาจำได้ก็บอกว่าสุมาคนเนี้เดี้ยงนี้จับได้เอาตัวไปมอบให้กับท่านมหาอปราท่านมหาอปราก็ปล่อยตัวมาม า, ตาใตกฟังฐานบอกได้มั้นก็ขับมาเข้าไปใกล้ทีเดียวแล้วก็ร้องว่าไอ้เมระคุณนายกูจะจับตัวมึงได้ไม่ฆ่าเสียเดี๋ยเห็นแกบุง ปลอยให้กลับไปพบพี่น้องญาติกาแล้วแต่มันกลับมารบดังเนี้แต่แทนคุณอย่างนั้นรือนี่นี่ทั้งประชดเกิดแพลตแบดดังเลยคุณมาดนมาใต้ร้องด่าดังนั้นก็คิดละอายใจนัก็จริงตอนของเบ่งปล่อยนี่ก็พูดจา น, นี้เขาก็ไม่เอาชีวิตในที่สุดสูนาก็ทำเป็นลบลกห ล, ลีกเนเลยไม่เป็นใจจะรบละ มาตายเห็นกองทัพสุนารูเบยอย่างนั้นก็ขับหันบุกบันไลรกทัพสุนาก็แตกหนีเข้าป่าไปฝ่ายสุนาขันแตกทับแล้วก็รีบนีกลับเข้าไปถึงเบงก็แล้วก็รายงานไปดู ว, ว่า มาตายคนเนี้ฝีมือเข้มแข็งนะักเขาเจะต่อบฟู่ด้วยนี่ได้แต่มาท้งนี้แล้วแต่จะโปรธเบ็กเ็กได้ฟังรายงานความพ่ายแพ้แล้วก็โกรธก็จึงว่ามึงแกล้งรบให้แปกแพ้มาดังเนี้ยเพราะคิดถึงคุณขเงเดิงจึงไม่เป็นใจรบซึ่งกูจะเลี้ยงมึงไว้ น, น, นี่ได้แล้วว่าแล้วเบ่งเฮกก็ฟั่งทหาร ให้มัดเอาตัวสุมาเนี่ยไปฆ่าไดเลยฝ่ยายทหารที่นั่งอยู่ด้วยกันในใจหน้าพวงก็พร้อมกันร้องขอโทษสุมาไว้หเบงให้ก็จึงว่าคนหน้าพวงขอชีวิตสุมารเราก็จะให้แต่จะเป็นยิ่งยั่งต่อไปอย่างไรก็ตามต้องให้ลงโทษมันก่อนก็จึงสั่งให้โบยสุมาร้อยที เขียนร้อยทีนี่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวทางคนใชย้ยินหนึ่งนั้นก็จับตัวฟุมาลงขึงพืชโบยปีตามคำสั่งร้อยทีแล้วก็ปล่อยไปฟุมาครั้นป้องเขียนป้องโบยเขียนปี100ร้อยทีแค่นี้เจ็บปวดยิ่มัอ่า ผูกรอยแผลรอยไม้นะ่แตกระยับไปเลยอ่ะก็ให้คนพยุงกลับไปไข้และก็รักษาตัวอยู่ทีนี้อราวางของเด่งเฮกที่คงได่จับได้แล้วก็ปล่อยมาเนี่ยมีมากต่างก็พากันเข้าไปเยี่ยมสุนมาเห็นสุนมาเจ็บปวดนักเลยถูกเคี่ยนแค่นั้นอนะ่ะต่างก็ถอนใจใหญ่แล้วก็จินว่าแต่ก่อนมา ก็ไม่ได้มีศึกมาถึงเมืองเหมือนดังครั้งนี้เลยนีย่เป็นเพราะเ่งเฮกยกไปตีเมืองเขาจึงพาศึกขามาัดปิดถึงเมืองเราให้ได้ความเดือดร้อนนีเบ็กยกไปตีเมืองเขาขึ้นเมืองเอ็งเฉียงเน่ยเอาถามี่พูดกันต่อไปว่าของเบ่งคน น, ค น, นี้เขาเรืองมีสติปัญญามากนะัก แม้พระเจ้าสุนตกลัวในกังตังพระเจ้าโจเพียงหูโตโลกเอียงอยังกลัวในความคิดหกหลมขนเล่งทูนี้ครั้งนี้ขนเล่ยงยกมารบจับเราไปได้ก็ไม่ฆ่าปล่อยมาเนี่ยบุญคุณมีอยู่กับเรามากนะักด้วยค่อยชีวิตแก่เราและพิเคราะห์ดูถาเนเมืองเราเราก็เหมือนพูดนายเจาะไปตอบพูดได้ ครั้งนี้เห็นจะเสื่อมังมันอองเป็นมั่นคงครั้งจะหนีอยู่เราเบ่งเฮก็จะเกณเอาเรานี่ออกไปรบเมื่อขัดหนี้ได้จำต้องออกรบก็จะตายเซะเปล่าเราชวนกันจับเอาตัวเบ่งเฮกนี่แหละไปให้ของมุง่งเถอะเถอะเห็นจะได้ความชอบนี่ทหารเราได่ปึกษากันอย่างนี้ สุกมาผูดถูกเขียนสุกมาผู้สื่งของอบูลปล่อยเด็กฟังทหารเนี่กว่ามีใจเดียวกันกันกบตรงว่าโดยนี้ก็เห็นดีด้วยมีใจนะก็จริงว่าถ้าพร้อมใจด้วยกันแล้วก็จงไปคอยดูแผนเบืงเฮกเฟตุรามเมานะสิ่งสมบูรณดีแล้วเมื่อไร จังเร่งให้มาบอกเราสุนาสั่งดังนี้ทหารท่านปวงก็ไปคอยอยู่ที่ค่ายของท่านเบงเฮกและคอยดูสิว่าเบงเฮกจะเมาเหล้าเมาทุรารับร้ายไปเมื่อไรกันฝ่าดเบงเฮกนั้นให้มีความทานมอง อ, า, อาจนะ นี่ดิคิดติดตรในการสู้รบสงครามนี่ไปอย่างไรหรอพอาตนสร้างค่ายคูประตูหอรบกำแพงดินเข้มแข็งมั่นคงคงไม่ ย, ยกมาทําอะไรไม่ได้แต่ตนเองไม่ต้องออกรบเพียอยู่ในค่ายสมายสมายอย่างนี้ไหนที่สุขคาดฝืนนต่อความร้อนของ้าอากาศนี่ไม่ไหวก็จะต้องเคลื่อนทัพถอยหนีไปเองและจะตามปีภายหลังนี่เบ่งเฮ็ดมองฝันหวานเอาอย่างนี้ แล้วก็โนลเดเซตุรากนะ็นอนหลับไปขณะนั้นทหารที่มาคอยเฝ้าดูอยู่นะเขเห็นเ่งเฮกเซตุราเมานอนหลับไปอย่างนั้นก็รีบ ก, กลับไปบอกกับสุนาวนาน่าขณะนี้เบงเฮกนะ่ะเมาเล้านอนหลับเเก่งเกงไปแล้วสุนากระเบิแก น, นี้นก็แต่งตัวถือดาบและคุมทหารกรูกำลังนฆน่ายใหญ่ช่วยกันจับตัวเบงเฮก มัดเอาตัวไปลงเรือข้ามไปจะมอบให้กับโขงเบ่งทหารคือศูนาร์ทหา ร, า ร, หารจับตัวเบ่งกไปได้แล้วเมื่อไปถึงก็ บอกฐานของคงเบ่งทีเดียวฐานก็นําความไปแจ้งแก่คเงเบ่งละวว่บัดนี้มีฐานของข้าศึกจะจับคงเบ่งเล็กมาได้คเดงเบ่งได้ฝันก็สั่งฐานน้พวงให้แต่งตัวถืออาวุธทําให้เป็นสังหารแกข้าศึกยืนอยู่ให้พร้อมกันจงทุกข่ายแล้วก็สั่งให้เอาตัวสุดมากับฐานน้พวงเข้ามาก่อนสุดมาฐานน้ำพวงก็เข้าไปทีเดียว พอเข้าไปถึงต่างคนดังก็กราบลงแล้วก็หวาดข้าไเจ้าทั้งปวงคิดถึงคุณที่ท่านไม่ฆ่าเสือปล่อยชีวิตให้ไปนั้นข้าพเจ้าจึงชวนกันจับเอาตัวเบ้งเฮกมาให้ท่านขมงเบงก็จริงว่าซึ้นจับตัวเบ้เฮกมาให้นั้นเมื่อรู้จักคุณเรานั้นขอบใจท่านหนักหนา แล้วก็ให้รางวัลเสื้อผาดทุกคนตามสมควรสุมาแหลกฐานทั้งปวงที่รวมแจรวมการคิดกันก็ทําแบบเนี้เอารับรางวัลแล้วก็ลาไปผมงเ่งก็สั่งฐานนี้เอาตัวเบ่งเห้เข้ามาตีเดียวตัวการเมื่อฐ า, านนาตัวเบ่งเหตุเข้ามาประจันตอนหน้าแล้วผมงเบ่งก็จริงว่าที่ท่านสัญญาไว้กับเราอะว่าถ้าเราจับได้เนี่ยท่านจะกลัวเกรงยอมแพ้เนี่ย บันนี้ท่านกลัวเกรงเรายิ่หรื อ, อยังคืต้องขามมากลัวหรื อ, อยังเบงเฮก็ตอบทีเดียวเบงเฮ็กตอบด้วยความนิ้ด้หวาดวันท่านพิงแต่ประการใดเลยทั้งสิ้เนเบงเฮกตอบว่านิใช่เรารบแพ้ด้วยฝีมือเมื่อไรถ้าเรารบแพ้ท่านด้วยฝีมือนะ่นก็อีกประการหนึง่งแต่นี่จะเป็นเช่นนั้นก็าหามไม่ นี่มันเป็นด้วยหานของเราเองนะมันชัวมันจะเอาตัวเรามาส่งให้เกิดท่านอย่างนี้แค่เราเกรงกลัวท่านไปอย่างไรเรายังไม่เกรงหรอกเ ด, ด, ดิ้นแ้ก็เที่ยวดื้อๆเที่งจริงๆก็ไม่ได้รบกันนิดหน่อยฐานของตัวเองพระโยชน ต, ตัวตัวเองจับตัวเองมามอบนี่ไม่กลัวอย่างไรคงเบื่ก็จริงว่าท่านยังไม่เกรงเรานั้น เท็กปล่อยดียังนั้นด้วหรือจํทำราแกาไใดคือคงไม่คงไม่แม่ใจเหมือนกันจะพู้นี้จะยังไหเบ่งเฮกก็จริงว่าถึงเราอยู่เมืองบ้านนอกก็ดีการตื่แต่เพยงเท่านี้เราพอจะสู้ทําได้อยู่รับปล่อยให้เรากลับไปถึงบ้านถึงเมืองเราแล้วจะจับแจงอาหารคุมบาโร ก, กับกท่านอีกถแพ้ทถานทีนี้แหละ เราถึงจะกลัวเกรงทำเด็กเฮกก็ว่ายอย่างนี้ว่าดื้นี่แหละคือเป็นนักพนันที่ไม่ต้องมีทุนอะไรเลยคงเรื่องนี้มันก็วระแล้วก็ฟังให้แก้มัดออกยกโต๊ะเขามาให้กินแต่คำว่าโะนี้หมายถึงโะอาหารนะครับมีข้าวเราพรอ้อมสุวาต่างๆนานาประการอาหารทุกอย่างแล้ว แต่คุณแม่ก็จีว่าเราทําการฝึกมันหนักหนาแต่ครั้งพระเจ้าเราปเปียยกไปตีที่ดาแห่งดายตะมนตดายก็มีชัยชนะยังหะเคยแพ้ผู้ใดไม่ท่านเป็นแต่เจ้าเมืองไม่น้อยเท่านี้เหตุไรจึงไม่กลัวเกรงเราคได้ม่ไหวอย่างนี้นี่ให้ก็นิ่งอยู่นี่ต่อประการใดล่ะแล้วก็ มากุมตากินโต๊ต่อไปกินอาหารต่อไปการกินเสร็จแล้วขงเบงก็ชวนด้วยยก๊ายขี่ม้าแล้วก็พาด้วยย้ไปเที่ยวตรวจบูค่ายทั้งปวงบูที่ไว้เสบียงอาหารบูอาวุธทั้งหลายทั้งสิ้นวกของเร า, พ, าพร้อมอยู่เช่นนี้เห็นว่าจะสู้เราได้หรือท่านมาเข้าด้ยวยเราแต่โดยดีเถอะเราจะได้ไปทูลเจ้าเราใหกปังแต่งท่าน มาครองเมืองนี้ืไปช่วยลูกช่วยหลานแลนหละเบ่งเฮกเดีมาณก็จริงว่าใครเป็นเมืองเขาไม่ยอมบอกให้เราทำเช่นนั้นอนะ่ะเราจะยอมคนเดียวไม่ได้เราจะไปก็ต้องไปชวนเขาดู ก, ก่อนถ้าเขาพร้อมใจกันแล้วขาบเจ้าจึงจะกลับมาหาท่านคนนี้นเดีเ๋ยวเบ่งเฮกว่าอย่างนั้นก็หัวเราะแล้กจู่ว่ า, าท่านไปเถอะจงไปเถอะเวรกรรมการสิ่งใดสิ่เด็ด แล้วคงเบ่งก็สั่งทหารเอาเรียเอามา้าข้ามฝากไปส่งเบ่งเฮ็กทหารก็พาเบ่งเฮกไปลงเรือข้ามฝากงเอาไปส่งตามคําสั่งคงเบ่งแค้นปล่อยเบ่งเฮกไปแล้วก็วางแผนทีเดียวโดวยสั่งให้เรียกหาม้าใตา้ให้ยกกลับมา มาตายไปตีตายกองสเสบียงนาะยยกกลับมาทหารก็ไปตามมาตายตามคำสั่ง ท่านปรับไปถึงค่ายแล้วคิดแค้นใจนะกกุร <c oughs> ิธานที่ังเป็นใจด้วยเนี่ยมารอบสั่งว่าจงจัดแจงอาวุธถึงฟ้อมไว้พร้อมนะแล้วให้ไปบอกคูณมาเฮยหลังว่ะผมเด่งใช้ทหารข้ามมาหาข้าแม่น้ำยกฟูมาหาบัด น, นี้นั่งคอยท่าอยู่ในค่ายให้รีบมาโดยเร็ว ถ้าคุณมากับห้วยหลําไอคนเทยยศทั้งสองมาถึงเมื่อไรเราก็ให้ฆ่าเถอะเทาาหารทั้งกองที่เป็นใจเบ่งเฮกยังมีอยู่ก็จัดแจงแล้วก็รีไปทีเดียวคนไปถึงห้วยหลัมก็ับไอคุณมานั่งอยู่ด้วยที่ห้วยหลัาความจริงคนทั้งสองต้องอยู่นคนละค่ายแต่ไม่เห็นอยู่ที่เดียวกันเนี่ยก็เข้าไปบอกตามอูบาย เ, เบ่งเฮกว่าคงเบ้ง หาอุปราเชเสฉวนชายฐานมาหาท่านนั่นคอยท่าอยู่ในค่ายขอเชิญท่านทั้งสองเร่งไปหาดยเถื่อนนาเวารรัมได้ยินหันบอกดังนั้นเมื่อรู้ว่าบนอุบายคิดว่าคงไม่ใช่ฐานมาหาจริงๆะก็ต้มีความผูกพันกันอยู่ตามสังคมแล้วก็ขึ้นมารีบมาโดยเร็วทีเดียวั้นมาถึงก็ลงจากหลังมาเดินเข้าไปในค่าย ราวทหารที่ตรงรับพระมีสิตเบงเฮกที่คอยอยู่นั่นน่ะก็รอมกันเข้าไปจับสุนาห่วยหลังก็พอรีบได้ว่าคนนึงฝรนิทรย์ต่อมาเกิดมึนนอนแต่ยอมเข้าเดือดขาศดศัตรูทหารนั้นก็จับสุนาห่วยหลังไม่ฆ่าเสียแล้วก็หลากศพไปทิ้งไว้ในคลองเป็นระบบเบงเฮกแค่แค้นหารนเป็นในสมเร็จ ที่ข้ามฝ่ายมาใตา้มาใตา้ครั้งคือของเบงใไฮสารประเกศมาใต้กลับมาเนี่ยคนไข้ของของเบงไปหาบอกกล่าวดังนั้นมาใต้ก็จัดแจงสัเบียงอาหารประทิกปลนมาชิมมาได้นะ่ะพร้อมแล้วก็ยกข้ามฝั่งกลับไปยังค่ายเอามาใต้ก็กลับที่ฝ่ายเบงเฮกข้างเบงเฮกครั้งทําการชําระแค้นฆ่าขึ้นมา้วยรัมได้แล้ว ก็จัดแจงฐานยกไปทางซอกเขาจะไปรบกับมาใตา้อืเบิกเห็ุไปเองครั้นไปถึงค่ายมาใตา้ก็เห็นดีเดเห็นแต่ค่ายเปล่าเห็นแต่ค่ายเปล่ามีคนดบ่งประมาณการเลิกเสร็จแล้วว่าการอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันตรายจะมาถึงมาใต้แน่ละจึงเรียกมาใต้กลับเถอะพร้อมสเสบียงด้วยเบ่กเห็ุมาถึงจึงเห็นแต่ค่ายเปล่า เขาจึได้จับชาวบ้านป่าเรานี้มาถามว่าไอกองทัพเนี่ยมันยกมาตั้งอยู่มันไปแห่งไหนแห่งใดอย่างไรชาวบ้านก็บอกว่ามาใ ต, ต้ขนตะเบียนข้ามฟางไปข่ายใหญ่แต่เมื่อคืนแล้วเบ่งเห็ดได้ฟังดังนั้นก็ยกทัพกลับกลับไปแต่ก็พอไปถึงข่ายแต่ก็ไม่เข้าข่ายละโบนทางกองเข้าไปสู่เมืองมันอ๋องเลยทีเดียว เป็นน้องของเบ่งเฮกรู้ว่าบัดนี้เบ่งเฮกพี่ชายกลับมาก็ออกมาคำมับต้อนรับเชื้อเชิญเข้าไปในเมืองเบ่งเฮกก็เล่าเนื้อความที่ไปสู้รบกับกองทัพมืองเสฉวนให้เบ่งยิ้มฟังทุกประการและก็วักขนเบ้งเนี่ยก็ถูกจับไปครั้งที่สามเนี่ยขนเบ่งพาเราให้ไปดูทุกค่ายเลย ไปดูที่ไวอาวุธสเบียงอาหารทั้งตัวนี่เราเห็นหมดสิ้นเราคิดให้เจ้าเนี่ยเอาหนอเอางานหนอก็หนอแรดงาก็งาชางันเราที่เจ้ า, าเอาหนอเอางาและเครื่องทองเงินให้ฐานสักรอยหนึ่งคุณของนีข้ามให้แก่ขงบิงขงบิงก็จะไว้ใจ ตัวเราจะคุมหานติดตามไปก็คอยดูการให้ดีเห็นเรารบขั้นนอกแล้วจาอยู่ขั้นมานน่ะพร้อมกับฐานทัพทุกฟอ้อนอ่วุ่ไปแล้วนะ่ะก็จงรบขึ้นขั้นใหมให้เป็นที่อรมานเห็นคนองเด่งจะละลาระวังและจะพ่ายแพ้เสียทีแกเราในครั้งนี้เึ่งหิวได้ฟังพี่ชายว่าจะไม่นควรชอบด้วยกับแผนนี้ แต่ด้วยความกล้าหาญในวัดวันต่ควันไปจะเข้าอยู่ในท้ำกลางขาดสืประการใดอย่างไรก็ตามไม่หยอดท้อละมนวัดวันกดจัดยังสิ่งของต่างๆทั้งปูนดังปลาพร้อมกับผามร้อยหนึ่งข้ามฝากไปตามคำสั่งของดิ่งเห็ุผู้พีเป็นงันระเบียงฮิ้ว ผู้น้องเบงเกจัดจข้าวของพร้อมกับถางร้อยอยู่และที่สำคัญก็คือซุกซ่อนอาวุธไปในทุกตัวคนละข้ามฝากไปครั้ไปถึงก็พบมาตายมาตายคุ้มฐานเที่ยวกรา เ, าเินอยู่ก็เขาไปบอกทีเดียวว่าเ่งเฮดผู้พี่ของเรา ให้เราคือเบ้งฮิวผู้น้องคุมสิ่งของมาให้ของเบ้งก็เรียกว่าเอาเครืบรรณาการมาให้มาตายคร้งเด็แจงนั่นก่อนนีนความไปบอกของเด้งของเบ้งเน่ยกำลังนั่งศึกษาการฝึกอยู่กับมาเจลิคีลิคีนิปผู้ชมาลภูมิประเทศเตยอ้วนปีฮวสี่คนกําลังปรึกษากันอยู่ครั้งได้ฟังมาเจเข้ามารายงานว่า เบงฮิเอาของมาให้เนี่ยของเบงท่านพุทุหลงก็พูดทีเดียวว่าที่เบงฮิวเอาของมาให้เราครั้งนี้เนี่ยท่านเห็นว่ามันจะทำประ ก, การใดมาเจ ก, ก็ตอบว่าข้าพเจ้าจะบอกนั้นไม่ได้จะขอเขียนหนังสือให้ท่านนี่มาเจคนนี้นี่เขาถือว่าเขามีปัญญาม า, ากนะครับเขาถือว่าเามีปัญญา เธอทําการครั้งนี้เคล้ายกับครั้งที่กิยี่ของเบ่งคิดการจะเผากองทัพเยอโฉเผาทัพเยอโฉครั้งเกนินนู้นน่ะต้องเขียนหนังสือใส่ฝ่ามือนี่มาเจนึ่งจะ ต, ตอบไม่เกินคกื่านี่รู้ก็บอกว่าไม่ได้จะ ต, ต้องเขียนหนังสือฮะแล้วก็เขียนสื อ, อยื่ในให้ของเบ่งองเบ่งดูหนังสือแล้วก็ตบมือวาระแล้วก็จริงว่าต้องในความคิดข้าบเจ้าแล้ว นี่หมายความแบบขนเบ่มาเจ๊รู้ในอุบายของเบ่งฮิวะ่ะขนเบ่งก็เรียกเขามีเอียนอองเป็งมาตนและกวนสอกเข้ามาแล้วก็เกิดสิบวะท่านทั้งห้าคนเนี่ยตจงจัดแจงค่ายไว้ให้จงดีเป็นทางเข้าทางออกเนี่ยก็ทําให้ดีแล้วก็ทิ้งค่ายเสีย คุมหานออกไปสร้างเป็นกองๆองไว้ในป่าถ้าเห็นเบ่งเฮกผี่ชายเจ้าเบ่งฮิวเนี่ยยกทับตามมาระโกต่อยให้มันเข้ามาถึงค่ายก่อนแล้วก็ให้รบกรนหนาดเข้ามามาใตา้นั้นให้ธรรมการเหมือนทหารเบ่งเฮกคือไปปลอมเป็นทหารเบ่งเฮกนำเรือไปคอยอยู่นี่คนเบ่งให้หมาใตา้ ไปจัดกองเรือไว้คอยรับเบ่งเฮ็กตอนแตกพ่ายหนีไปถ้าเห็นเบ่งเฮ็กแตกทับไปทางนั้นค่อยเอาเรือเนี่ยเข้ามารับแล้ยลืนให้พร้อมพ่ายพลทั้งหมดทั้งตัวของตัเนเป็นทหารเบ่งเฮ็กชาวมันอองเซ็ตเอาเรือเข้ามารับตัวเบ่งเฮ็กก็จะจับตัวเบ่งเฮ็กได้สะดวกดหกหลวงวางแผนต่อไปอันลนิขีนั้นให้ไปแ ต, แต่งโต๊ะข้าวเราทั้งเล่าทั้งข้าวมันจะเรียกว่าขับลาอาหาร ประกอบด้วยยาเบื่อยาเมายกเข้าไปให้มันกินเมื่อเห็นเมาสิ่งสติสมประดีแล้วให้คอยไปจัดค่ายหกหลวงวางแผนได้อย่างนี้เลยรู้เลยเบ้งหิวเบ้งเฮ็จจะทําคนอุบายอย่างไงอะ่ะนายทัพนายกองท้าบงได้ยินคําสั่งดังนั้นก็รับคําสั่งแล้วก็ขมับลาไปก็ทําตามคําสั่งทุกคนละ่ะคนเบ้ง น, นั้นเมื่อฟังการแล้วนะ ก็จิงให้เรียกหาตัวเบงฮิวเข้ามาเบงฮิวน้องชายเบงเฮกเบงฮิวก็ยกสิ่งของเข้ามาแล้วก็กราบขนเบงแล้วก็พูดว่าเบงเฮกพี่ชายขาะเจ้าคิดถึงบุญคุณท่านยิ่งนักจิงให้ขาะเจ้าคุมเอาสิ่งของทั้งนี้มาให้และเบงเฮกนั้นก็ยังได้ไปจัดหาสิ่งของที่ดีเอามาให้ท่านอีกและจะตามมาภายหลัง นี่เบงฮิวบอกกล่าวอย่างนี้ขอเบงเด็กฟังน้นก็ถามเบงฮิวว่าทหารที่มาด้วยท่านเนี่ยสักจํานวนเท่าไหร่เบงฮิวก็บอกว่าทหารที่มาด้วยขบเจ้าเนี้ก็พอแก่จํานวนถือสิ่งของและแกวเรือร้อยหนึ่งเดียกันเท่านั้นขอเบงก็ฟังให้เลยหารเบงฮิวเข้ามาให้สิให้เขามาข้างให้หมดครั้นทหารเข้ามาพร้อมแล้ว ของเบงพิจารณาดูรูปร่างทหารเหล่านี้รวมแต่ร่มฝันใหญ่โตบางกอ น, นาดําตาเขียวบางกอ น, นาขาวตาแดงบางคกอนวดเหลืองวดแดงลักษณะต่างๆกันก็เข้าใจได้ทีเดียวเมี่ยเด็กแกร่งจากฝันคัดเรือมารวมแต่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นละ่ะขมงเบงก็สั่งให้อลิคีซึ่งเป็นกองจากเลี้ยงยกโต๊ะมาเลี้ยง ยกโต๊ะมาเรียนอาหารต่างๆประกอบด้วยยาเบื่อยาเมาทั้งนั้นขณะเมื่อเบ่งฮิวกับทาหารจะมุนร้อยกินโต๊ะอยู่นั้นครั้งเห็นว่าเย็นลงแล้วเลยก็ค่อยกระซิบสั่งกันทีเดียวคนหนึ่งก็ทำเป็นกลับไปลงเรือแต่ที่จริงนั้นก็ข้ามฝ้าไปบอกเบ่งเฮกว่าบัดนี้ได้ทุวงทีแล้วให้เร่ง ย, ยกไปเถอะเบ่งเฮกผุดเปลี่ยนการได้พร้อมแล้ว เด้ได้ข่าวแล้วก็ดีใจจากเจียงซามเนี่ยสามหมื่น่ะเป็นสามกองสัญญาให้จุดเพลิงเป็นสําคัญครั้นเวลาค่ําก็ยกข้ามฝากไปทางเหนือค่ายแล้วก็เดินลงมาข้างฝ่ายขงเบ่งฝ่ายของเบ่ ง, ง, งครั้นจับเลี้ยงเด่งหิวรอกานทั้งปวงก็สังเกตเห็นเบ่งหิวรอกานทั้งปวงน่ะก็ เมาสุราสิ่จสตรีสมประดีกิ่นโครโรไปต า, ตามกันน่ะขอเบ่งก็ยกออกไปจากค่ายยกออกไปจากค่ายหมดสิ้นเลยทีเดียวฝ่ายเบ่งเฮกขันยกมาจนใกล้ค่ายก็ไม่เห็นคนก็พาฐานท่อ ง, งเที่ยวดูผู้คนตามริมค่ายแต่ตัวเบ่งเฮกนั้นคุมฐานสองร้อยรีบตรงไปยังค่ายของเบ่ง เมื่อไ้ถึงก็เห็นผู้คนอีกแหละก็เห็นแต่เบ่งยิวนอมชายตนพร้อมเอกสารทั้งปวงจำนวนประมาณรนะ้อยน่ะเมาสุรานอนกลิ้งโคโลอยู่เบ่งเฮกก็เข้าไปถามทีเดียวว่าเป็นไรมันนอนกลิ้งอยู่เชนเนี้ยทหารคนหนึ่งรู้สึกตัวนะ่ะพอรู้สึกหรอกแต่พูดไม่ออกพูดไม่ออกเจรจามิได้เอามีชี้เขาติด ป, ปาก เบ่งเฮกก็รู้ได้ทันทีทีเดียวว่าเนี่ยเขาใส่ยาเบื่อให้กินก็เข้าแก้ไขเบ่งหิวประฐานนัู่ที่เมามาอยู่นะั้นแล้วก็พากันพยุงจุนเอาออกไปนอกค่ายฝ่ายจูล่ล่องวีเอียนมาตรงอ่อนเป่งกวนศกห้าคนนี้จู่ล่งด้วยจู่ล่งด้วยคุณฐานรายอยู่นะครั้งเห็นเบ่งเฮกเข้าไปในค่าย เข้าไปแล้วกลับออกมาก็ได้จังหวะแล้วนี่ทั้งห้านายทาหารนี่คุ้มทาหารเพียงรายอยู่ก็ขับทาหารต้บังคับบัชาธะพวงโหร้องรบกันมามันเข้าไปเลยเบ่งเฮกนลยฐานนภูเห็นข้าพึรบร้องเข้ามาทั้งห้าด่านห้าทางดังนั้นบางคนต่างก็ตกใจแตดหนีลงน้ําขึ้นบกเอาตัวรอดพอ่ิทจะกระทากันได้แต่ตื่นตเต้นเลยจู่ลงและนายทัพมายฐานนภูแล้วก็ขับร้อยรบ จับเบ่งฮิวและทหารได้หลายคนมัดตัวไว้เป็นอันมากส่วนว่าเบ่งเฮกนั้นตกใจยิ่งนักก็หนีพลัด ก, กัน